พระอนุบัญญัติภิกษุต้องอบัติปาจิตตีเพราะฉันคณาโภชนานอกสมัยสมัยในข้อนั้นคือสมัยที่เป็นไข้นี้เป็นสมัยในข้อนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุเป็นไข่จบ